การจัดหมวดหมู่คำพีในพระไตรปิฎกบัดนี้จะหันมาพิจารณาโครงสร้างและการจัดองค์ประกอบของพระไตรปิฎกในประเทศไทยพระไตรปิฎกได้รับการตีพิมพ์เป็นเล่มหนังสือด้วยอักษรไทยเป็นครั้งแรกในสมัยราชการที่ห้าเมื่อพุทธศักราช2431การตีพิมพ์เสร็จเรียบร้อยและมีการฉลองในพุทธศักราช2436ก พร้อมกับงานรัชดาพิเศกพระไตรปิฎกที่ตีพิมพ์ครั้งนั้นจัดเป็นจบละ39เล่มต่อมาพุทธศักราช2468ในสมัยรัชกาลที่7ได้โปรดเกล้าให้ตีพิมพ์ใหม่เป็นพระไตรปิฎกฉบับที่สมบูรณ์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่รัชกาลที่6รเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐมีจํานวนจบละ45เล่ม ซึ่งได้ถือเป็นหลักในการจัดแบ่งเล่มพระไตรปิฎกในประเทศไทยสืบมาจนปัจจุบันและเพื่อความสะดวกการอ้างอิงในสรุปสาระสำคัญของพระไตรปิฎกต่อไปนี้ก็จะยึดพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเป็นหลักเช่นกันกล่าวโดยทั่วไปพระธรรมวินยัยหรือธรรมะและวินยัยที่บรรจุอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละเป็นหลักในการจัดหมวดหมู่ของพระไตรปิฎก เขาโครงในการจัดหมวดหมู่มีดังปรากฏในแผนภูมิต่อไปนี้พระไตรปิฎกประกอบด้วยวินัยปิฎกประมวลระเบียบข้อบังคับสำหรับภิกษุและภิกษุณีสุดต่างปิฎกประมวลพระธรรมเทศนาประวัติและเรื่องราวต่างๆอภิธรรมปิฎกประมวลหลักธรรมและคําอธิบายที่เป็นเนื้อหาวิชาล้วน วินัยปิดกประกอบด้วยมหาวิพังวินัยที่เป็นหลักใหญ่ของภิกษุภิกคุณีวิพังวินัยที่เป็นหลักใหญ่ของภิกษุณีมหาวกักกำเนิดภิกษุสงฆ์และระเบียบความเป็นอยู่และกิจการของภิกษุสงฆ์จุลวักระเบียบความเป็นอยู่และกิจการของภิกษุสงฆ์เรื่องภิกษุณีและสังขยนาปริวาร คู่มือถามตอบซักซ้อมความรู้พระวินัยสุตตันตปิฎกประกอบด้วยทีฆนิกายชุมนุมพระสูตรขนาดยาวมาชิมนิกายชุมนุมพระสูตรขนาดกลางสังยุตตนิกายชุมนุมพระสูตรที่จัดกลุ่มตามหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องอังคุตรนิกายชุมนุมพระสูตรที่จัดเป็นหมวดตามจำนวนข้อธรรมะ ขุทธะนิกายชุมนุมพระสูตรพาสิทธ์คำอธิบายและเรื่องราวเบตเะเล็ดอภิธรรมปิดกประกอบด้วยธรรมะสังคณีแจงนับธรรมะที่จัดรวมเป็นหมวดเป็นประเภทวิพังอธิบายธรรมะแต่และเรื่องแยกแยกออกชี้แจงวินิจฉัยโดยละเอียดทาตุกะถา สงเคราะห์ข้อธรรมะต่างๆเข้าในขันธ์อายตนะธาตุปุคละบัญญัติบัญญัติความหมายบุคคลประเภทต่างๆตามคุณธรรมที่มีกถาวัตถุแถลงและวินิจฉัยทัศนะของนิกายต่างๆสมัยตติยะสังคยนายะมก ยกข้อธรรมะขึ้นวินิจฉัยโดยตอบคำถามที่ตั้งย้อนกันเป็นคู่คู่และสุดท้ายปัจฐานอธิบายปัจจัยคือลักษณะความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกัน24แบบ